d n the g y o u w d a l i f e l หาคนหาเอเยไปเพื่อจะมีใคร รักกัน จากฉันพอไหมถ้ายังไม่พอเอาอีกหน่อยเป็นไงนอยากจะให้เต็มใจให้จริงจริงวันนี้มีอีกอย่างขอแทนเธออีกอย่างให้เธอให้คนเดียวเท่านั้นก็แค่ฉันอยากให้เธอให้หมดขอฝากของให้เธออีกอย่างอยู่ไม่ห่าง กินสามร้อพี่สามระวยพี่ส้งเจนหวานกกับพี่ส้มเจน